ทรงบัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภ า, า, าคทรงสอบถามพวกภิกษุชาวพคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอชักชวนภิกษุณีทั้งหลายโดยสารเรือลำเดียวกันจริงหรือพวกภิกษุชาวพัีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษทั้งหลายฉนยพวกเธอจึงชักชวนภิกษุณีทั้งหลายโดยสารเรือลำเดียวกันกกเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลาย